กระถางดอกไม้สีชมพูกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่ห่างไกลราชินีได้ให้กำเนิดบุตรสาวที่งดงามเธอเชิญเพื่อนสนิทของเธอราชินีแห่งป่าและลูกชายของนางเพื่อมาดูทารกน้อยแต่ขณะที่ราชินีแห่งป่ากำลังเดินทางไปพระราชวังของราชินีหายนะกำลังมาพ่อมดผู้ชั่วร้ายได้ติดตามราชนีแห่งป่าไปที่อาณาจักร เจอจนได้นะลูกชายของเจ้าและท้ารกที่สวยงามนั้นใช่เธอไหมอย่ากล้าเข้ามาใกล้นะพาพวกเขาหนีไปเดี๋ยวนี้โอ้เจ้าจะหยุดข้ายัางงั้นเหรอพวกเขาจะหนีจากข้าใน้นานแค่ไหนจนกว่าลูกชายของเจ้าจะอายุครบ21บปีข้าจะคอยตามทำลายเขา หลายปีจากการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ตอนนี้เราจะพาท่านไปพบกับเรื่องราวในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไปไม่ไกลจากอาณาจักรมีชาวนาคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายของเขาสเตฟานและลูกสาวของเขาฟิลิเซียชาวนายากจนมากๆเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องจากโลกนี้ไป เขาเรียกลูกๆของเขาเพื่อมาพบลูกรักทั้งชีวิตของพ่อรักพวกเจ้าทั้งสองคนมาสมบัติที่พ่อมีให้พวกเจ้าคงมีเพียงไกเก้าอี้สองตัวเสือ้อกระถางสีชมพูและแหวนเงินเท่านั้นลูกสาวที่รักพ่อขอมอบกระถางสีชมพูและแหวนเงินแด่เจ้าส่วนลูกชายของพ่อ เอาที่เหลือทั้งหมดไปท่านพ่อข้าไม่อยากได้สมบัติอะไรจากท่านหรอกทั้งหมดที่ข้าต้องการคือความรักและพรของท่านอา่าลูกรักมีอีกหลายอย่างที่พ่ออยากจเจอและชาวนานก็สิ้นใจลง พี่ชายเอาเก้าอี้สองตัวเสือและไก่ปล่อยให้ฟิลิเซียเอากระถางสีชมพูและแหวนสีเงินไปแหวนนี้น่าจะให้เจ้ามีเงินพอใช้ในชีวิตได้เออไม่หรอกพี่ท่านพ่อมอแบแหวนวงนี้ให้ข้ามันเป็นทั้งหมดจากเขาข้าจะไม่แยกจากมณิษค์ขาดแล้วแต่เจ้าแต่อย่าหวังให้ข้าช่วยนะต่อจากนี้ไปเจ้าจะต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ ไก่ผักและของทั้งหมดจากสวนเป็นของข้าคนเดียวแม้แต่ไก่และไข่ก็ด้วยเฟรเซียเศร้าใจมากที่พี่ชายของเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวเธอคิดว่าเธอคงไม่มีความสุขและความรักอีกต่อไปเธอเห็นกระถางดอกไม้สีชมพูใกล้ตายเพราะว่าขาดน้ำอ๋อเจ้าดอกไม้ที่รักเจ้ารู้สึกไม่มีใครรักและเอาใจใส่เหมือนกันใช่ไหม เจาเ้าเหมือนกับข้าใช่ไหมแต่เจ้าก็ยังมีกลิ่นที่หอมหวานที่สุดในโลกเลยล่ะข้ารักเจ้านะสีชมพูที่รักของข้าและจะรักตลอดไปตอนนี้เราจะมาเป็นเพื่อนกันเถอะแล้วข้าก็จะดูแลเจ้าด้วยชีวิตของข้าเองเจ้าต้องการน้าสินะรอก่อนข้าจะไปเอาน้าที่น้าพุมาให้ฟิลิเซียวิ่งไปที่น้ำพุของเครืหาที่ซุดโอมในป่า เธอตักน้ำจากน้ำพุจนเต็มเหยือกตอนนั้นเองเธอได้ยินเสียงแพลงที่ไพเราะและเห็นบางอย่างที่น่าทึ่งมีใครแอบอยู่หลังน้ำพุนั่นใช่ไหมไม่ว่าเจ้าเป็นใครออกมาเถอะไม่ต้องกลัวหรกท่านหญิงข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจจะแอบดูข้าไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่นี่ ไม่เป็นไรเด็กน้อยโอ้เจ้าช่างงดงามมากท่านมือ้อค่าหรื อ, อยังยังเพคะฝาบาทเง้นมาทานกับข้าสิมาเลยมานั่งตรงนี้ท่านช่างมีเมตตาท่านหญิงราชินีแห่งป่าเสิร์ฟให้ฟิลิเซียด้วยตัวเองอาหารนั้นอร่อยกว่าทุกอย่างที่ฟิลิเซียเคยกินมาทั้งหมดและเมื่อมื้อค่ำจบลง ขอบคุณมากมากท่านหญิงข้ามีอะไรจะตอบแทนท่านนอกจากกระถางดอกไม้สีชมพูที่ข้ารักมากเหนะกว่าสิ่งใดดอกไม้มีกลิ่นหอมหวานมากให้ข้านำมันมาเป็นเครื่องหมายขอบคุณท่านเธอเจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกที่รักแต่ถ้ามันจะทำให้เจ้ามีความสุขเงินข้าจะรับดอกไม้สีชมพูนั่นเอาไว ขอบคุณมากท่านหญิงรอข้าเดี๋ยวนะข้าจะรีบวิ่งกลับไปบ้านและเอามันมาให้ท่านได้ข้าจะรอไม่ต้องรีบนะดังนั้นฟิลิเซียจึงรีบวิ่งกลับมาที่บ้านเพื่อเอาดอกไม้สีชมพูแต่เมื่อเธอมาถึงที่หน้าต่างที่มันอยู่มีเพียงกระถางกละลำปีอยู่ที่นั่นสเตฟานขาโมยดอกไม้สีชมพูและวางกระลำปลีไว้แทนฟิลิเซีย กลับไปหาราชินีแห่งป่าด้วยความเศร้าท่านหญิงข้าขอโทษด้วยดูเหมือนพี่ชายของข้าขโมยกระถางสีชมพูไปแต่โปรดรับที่ไว้มันเป็นทั้งหมดที่ข้ามีข้าหวังว่าท่านจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าข้าเอาสิ่งนี้เจ้าจะไม่เหลืออะไรเลยนะท่านหญิงเมตภาพของท่านก็เพียงพอแล้วสำหรับข้าไม่ต้องห่วงที่รัก เดี๋ยวปัญหาทั้งหมดมันก็จะหายไปนี่เหยือกของเจ้าเจ้าเลือ ม, มันเอาไว้ด้วยนะโอ้นี่เธอเป็นของขวัญจากค่าและเราจะได้พบกันใหม่ที่รักเราจะได้พบกันในอรุณที่21สจากนั้นราชนีแห่งป่าก็หายตัวไปในพริบตาฟิลิเซียยืนตะลึงฟิลิเซียกลับมาที่บ้านพร้อมกับเหยือก แต่เธอเจ็บปวดกับดอกไม้สีชมพูมากเพราะเธอรักมันที่สุดในโลกเธอมองไปที่กรัลำปลีซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของดอกไม้สีชมพูและโมโหมากเธอจับกระลำปลีขึ้นมาและเมื่อกําลังจะคว่างมันออกนอกหน้าต่างเธอได้ยินเสียงแปลกๆขึ้นได้ปลอดอย่าโยนข้าเจ้าเป็นกรัลำปลีแล้วเจ้าพูดได้ข้าไม่เคยพูดได้มาก่อนแต่บางทีอาจเป็นเพราะการมาถึงของวันที่2ีเอ็ด ถ้าเจ้านำข้ากลับไปที่ปลูกข้าจะบอกว่าดอกไม้สีชมพูของเจ้าอยู่ใต้เตียงของสเตฟานพี่ชายเจ้าดังนั้นฟิลิเซียจึงนํากระหล่ำปลีกลับไปที่ปลูกที่สวนเธอเรีบวิ่งกลับไปที่ห้องของพี่ชายและพบว่าพวกหนูกําลังพยายามจะเอาดอกไม้สีชมพูไปฟิลิเซียตกใจมากที่เธอคิดก็คือต้องช่วยดอกไม้สีชมพูที่เธอรักไว้เท่านั้นเธอนําน้ําจากเหยกือออกมาเพราะหวังว่ามันจะมีเวทนมนตร์บางอย่าง ดอกไม้สีชมพูที่รักไม่เป็นไรนะข้าเป็นห่วงเจ้ามากโอ้นั่นพวกเขาใช่จะเป็นใครได้อีกละ่ะเจ้าเป็นไก่พูดได้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าไม่เคยพูดได้มาก่อนมันต้องเป็นเพราะว่าวันที่21ใกล้เข้ามาแล้วเอาเดืนที่21อนี่มันคืออะไรอย่างนั้นเหรอก็ไม่มีความลับอะไรที่ข้าเก็บมันได้นี่นะคืออย่างนี้ ราชนินีแห่งป่าสาบให้ข้าเป็นไก่อย่างที่เจ้าเห็นข้าเป็นแม่ของสเตฟานวันหนึ่งราชนินีจากดินแดนห่างไกลามาที่นี่เธอมีทารกที่งดงามมากเกินกว่าที่ข้าเคยเห็นในชีวิตนางขอให้ข้าช่วยราชนินีป่วยและเหนื่อยล้ามากแต่ข้าก็สัญญาว่าจะดูแลเจ้าให้วันหนึ่งราชนินีแห่งป่ามาที่นี่พร้อมกับกระถางดอกไม้สีชมพูและแหวนวงหนึ่งนางขอให้สามีของนางมอบมันให้เจ้าเมื่อเจ้าโตขึ้น นางพาราชินีไปกับนางและก่อนที่นางจะไปเธอสาให้ข้ากลายเป็นไก่เพื่อที่ข้าจะไม่สามารถบอกความลับกับใครได้จนกว่าจะถึงอารุนที่21นั่นคือทั้งหมดที่ข้ารู้โอ้ดูสิรุ่งอรุนนั่นมาถึงแล้วเมื่อฟิลิเซียเห็นราชินีแห่งป่าปรากฏตัวขึ้นเธอวิ่งเข้าไปในสวนและทักทายนางปล่อยดอกไม้สีชมพูไว้ข้างหลังราชินียืนต่อหน้าเธอและยิ้มออกมาเออฟิลิเซียที่รัก เช้าที่ข้ารอคอยรอคอยมาหลายปีคนดูแลบอกเจ้าหลายเรื่องแล้วแต่เธอไม่ได้บอกเจ้าทั้งหมดท่านหญิงแม่ค้าอยู่ที่ใดข้าขอพบนางได้ไหมข้าจะพาเจ้าไปหานางด้วยตัวเองนางอยู่ในที่ปลอดภัยทั้งหมดเป็นเพราะข้าที่รักมันทําให้พ่อหมดชั่วร้ายจ้องจะทําร้ายเจ้าใิฐานะของราชนินีแห่งป่า ปกป้องธรรมชาติจากพ่อหมดชั่วร้ายที่ต้องการจะควบคุมมันเมื่อเขาสู้ข้าไม่ได้เขาเลือกที่จะหยุดสายพลังของข้าโดยจะเอาลูกชายของข้าไปเพราะเขายังไม่สามารถสืบทอดพลังของข้าได้จนกว่าเขาจะอายุครบยีบเอปีข้ารู้ว่าพ่อหมดร้ายจะตามมาหาเขาและเจ้าจนกว่าจะพบกันด้วยเหตุนี้ข้าจึงต้องให้เจ้าเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาเพราะที่เขาจะไม่มีทางหาเจ้าพบยังไงลนะ่ะ ทำไมเขาต้องทำร้ายข้าท่านหญิงพระเจ้าเป็นพลังแห่งรักแท้ในลูกชายข้าและพลังแห่งรักนั้นช่วยปกป้องเขาแล้วตอนนี้ลูกชายของท่านอยู่ที่ใดข้าอยู่นี่ที่รักความรักของเจ้าช่วยปกป้องเขาที่รักความรักของข้างั้นเหรอแต่ข้ายังไม่เคยพบเขามาก่อนเลยโอ้เจ้าเคยเจอแล้ว เจ้ารักเขามากเหนือสิ่งอื่นใดในโลกกระถางดอกไม้สีชมพูกระถางดอกไม้สีชมพูข้าเปลี่ยนเขาเป็นดอกไม้สีชมพูจนกว่าเขาจะอายุครบ21ปีแล้ววันนี้ก็คืออรุณของปีที่21อแล้วปีที่21เราแล้วพ่อหมช่วร้ายล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเขากองทัพหนูเป็นทหารของเขา กอลัมปีก็เช่นกันตอนนี้เขาอายุ21แล้วและจะได้รับพลังทั้งหมดของข้าแล้วพ่อมดชั่วร้ายทำอะไรไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งมีพลังรักของเจ้าคอยปกป้องเขาตลอดเวลามันจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมแล้วเขารักข้าไหมข้ารักเจ้ายิ่งกว่าชีวิตของข้าที่รักและข้ารักเจ้ามากขึ้นทุกๆวันเจ้าจะยอมรับข้าเป็นสามีของเจ้าไหม ตอนนี้ปัญหาทั้งหมดได้จบลงแล้วที่รักเจ้าจะได้กลับไปยังสถานที่ของเจ้าในฐานะเจ้าหญิงข้าจะพาเจ้าไปพบแม่ของเจ้าและพวกเราจะจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่อย่างงดงามแต่ว่าก่อนอื่นบอกข้ามาว่าจะให้ข้าลงโทษพี่ชายที่โหดร้ายของเจ้ายังไงอย่านะท่านหญิงข้าให้อภัยเขาเขาเอาสิ่งที่รักของเจ้าไปเจ้าจะให้อภัยเขาอย่างนั้นเหรอ ตอนนี้ค้ามีความสุขแล้วและอยากจะให้ทุกคนมีความสุขเปลี่ยนคนดูแลให้กลายเป็นร่างจริงของเธอและให้เธอได้อยู่กับสเตฟานลูกชายของเธออย่างมีความสุขเถิดข่าดีเลยพวกเขาจะได้ไม่มีทางรู้เรื่องนี้สเตฟานจะเปลี่ยนเป็นชายหนุ่มที่มีความเมตตามีความสุภาพบุรุษและเป็นลูกชายในฝันให้กับแม่ของเขาดังนั้น ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีเจ้าหญิงฟิลิเซียแต่งงานกับเจ้าชายชมพูและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข